แล้วแต่ความยางไงบางคนก็ทันหัวอือไม่ไหวไอ้วันโกนไม่แน่นอนหนะมันแล้วแต่แต่ว่าของประเทศไทยนิยมโกนมันโกนใช่ไหมก่อมันข่าใหญ่หนิงเนี่ยนะตรงเองตามตรงเองเมืดอกี้ก็สื่อเขาปองให้ควรจะป้องให้มันไวหน่อยไงแต่ว่าบางทีต้องพึ้นทางอีกใช่ไหม บางทีไม่มีใครเนี่ยเขาปล่อยเขาจะอยู่บงีไม่แน่มันไม่ได้มีผลตายตัวแล้วว่าต้องอย่านั้นอย่างนี้นะมีแต่ว่าอย่าเกินสองนิ้วหรือว่าอย่าเกินสองเดือนอันนี้เป็นเกณฑ์เจ้าแม่ใหญ่ไหมอ๋อผู้ทองนี่ยังให้ลองผมแล้วหนวดแค่นั้นแหละนันมันนีบอกให้กรีคิ้วทีกรี๊ดคิ้วเข้ามาทีหล TA tar ังมัเร cool ื่องสมัยจักรกรใครฟังไหมยั่งเหรอ อันนี้คนฟังหลายเที่ยวนะอัที่ว่าอะไรนะเกิดขึานมาเข้าฟอมพระที่ใส่ศึกนะส ม, สมัยสงครามหรือเมื่อก่อนมันเป็นฟอมพระอะไรที น, นี้เขาก็รู้ใช่ไหมว่าเข้ามาฟองเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าคนไหนพระองค์ไหนเป็นพวกท่าเพราะว่าเหมือนกันนะ่ะมันมีสัญลักษณ์อะไรที่จะบอกให้ชัดเจนใช่ไหมเวราฌานก็เลยสั่ให้พระให้พระไทยนะให้โกงคิ้วทั้งหมดนี่แหละ พอกพาเข้ามาเข้ามาเข้ามาปอเข้าม า, พพมาใช่ไหมอ้ามีคิ้วเนี่ยใครรวไม่ใช่พาไท ย, ยแล้วต้องเป็นไส้ศึกนะล้าเกิดดูละอัะสมัยนั้นนะพาไทยก็เลยโกนเทปเป็นบทเทดีมาจะถึงทุกวันนี้นะ<ม>แต่ว่าไม่มีสมัยสคัญไแล้วใช่ไหมแต่ถ้าตามคำวินัยคือให้ฟองผมแน่หนหลุนนะป อ, อกบวมมาคิดทักถึงพระกาหาย<ม>ายากใชหมที่เข้ามาแต่ก็ไม่ไม่ปอก กันนะกันแล้วก็ตาสุเสุดแท้ผมเนี่ย <c oughs> มันเป็นปริภพอันน้ใช่ไหมอะไรอย่างคัน <c oughs> ต้องใช้แชมพูต้องอะไรนะมันเป็นพาร์นะเนี่ยแล้วก็ตรงก็มันมันก็ใช้เ <c oughs> <c oughs> บาขึ้นแลาวไมไม่ปริภพอีนะแต่เที่ยวไม่เป็นปริโภพ อ, อะไรนะ คิ้ีครับไม่มีในฟองคิ่วนะครับให้องผมแน่หนวดเราไปดูวินัยที่เด็กเลที่หกครับวินัยเดกเล็ที่หกมันมีข้อการขาที่โยมเการขาที่สงสัยว่าเอ๊ะพระในผมภาพเหมือนกันก็ไม่รู้หรอกว่าเขางอนุญาตวิธีการผมใช่ไหมครับผ่มดองนี่นะ สีท่าใช่ไ้ครับขาวาเี่เขียวเหลืองแดงไ่ไหรอใช้ไม่ได้อาสางคนนั้นเขียวเหลืองไอ้แดงนี่ไม่ีนะครับเขียวเหลืองครับสีดำสีชมพูสีบานเย็นสีแสงนะครับสีดำงครับสีขาขาก็ไม่ได้น้าเงินก็ไม่ได้ สีเหลืองสีเหลืองลูกจันทร์อ๋อเหลืองอ้อยอะไรไม่ได้นะสีส้มไม่ได้สีของเราเป็นสีเหลืองหม่นเนี่ยอ๋อเป็นเหลืองหม่นแล้วก็สีอะไรเปลือกมังคุดที่ไม่ทราบสีแกนหนุนสีปากสีไรนะที่ใช้กันสีแดงก็แดงเหมือนกันนะใช่ใช่มาหยมใช้สีแดง แต่มันสีผ้าเราใช้สีเดียวกันเนี่ยถ้าใช้สีรายการมีปัญหาโยมมันสีผ้าหยิบจีวงมันผิดโอ้หาหลาชรั้งเลยปัญหาเลยอันนี้นะที่ต่างสีมันดีหน่อยมันไม่ค่อยหยิบมันผิดหรอกนีนมันต้องมีสัญลักษณ์เฉพาะตัวเองสิสีเหนือโหน้าอย่างนะไม่ได้ไม่ได้สีแสดสีโซ่ไหมสีเหลืองอ่อนไม่ได้สีขมิ้นไม่ได้ วนอันสักเขาจะให้อะไรนะอันแบบที่ไม่สวมใช่ไม่ได้ต้องแบบที่มัน อ, นนอะไรที่มันอย่างเดียวนะครับนี่นะ <c oughs> คือก็เป็นผ้าผือเดียวกันแล้วก็ใช้มัดเฉยๆแบบไม่ใช่สวม้าไปถ้าสวม้าไปมันจะหมือนเสื้อของโยนะ <c oughs> ครับนี้รเอะบอกาีใช้ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เปลยนเรือการาน พี่พีก็อจะตรงที่สวมนะครับพี่พีกนแต่หน้ากระเป๋าเราเอาแบบธรรมดาพอใส่ท้องอะไรหน่อยนี่นะก็ได้เลยครับอยากเป็นเ็นึ่งเหรอพี่ไม่ใส่ได้ไหมได้ได้แต่ถ้าไม่ใสาแล้วมีปัญหาใ่ไมาแล้วแต่นะถ้าเราไม่ใส่ราก็ต้องห่มกีวอลตลอดใช่ไหมหรือว่าสมองผ่านบาดจะมีผู้ถือเรื่องของทุ่งดอนะผู้เรื่องของทุดม พูด่มต้นอัสารก็ทุดงไงแต่ว่าในบริขารแปไม่มีใช่ไหมแต่จริงมีบริขารอะไรมากกวนะ่านั้นมีอดิเล็กอดีเล็กจีวรนี่นะบริขาราโจ้แล้วก็ยังมีอีกเขาเรียกว่าบริขารแปดเลยมีไยนะัาผ้าสีเหล็กสามน้ำหนึ่งแา้วถาสีก็สมมจีวรสันติตะขอนแอล ผ้าสีเหล็กสามก็บาเข็มมี่นะครับน้ำหนึ่งก็ผ้ากองน้ำมันน่าจะเป็นค้านะค้าห้าแต่ให้จำง่ายๆเนี่ยผ้าสีเหล็กสามน้ำหนึ่งนะคือากองน้ำนะครับเนี่ยบริการแปแต่สมัยนี้ก็มีเยอะใช่ไหมอันดี้แหลงบริการบริการร้อยแปดนะครับ เมื่อ่ถ้าบอกว่าคนบริหารแปก็ก็ชื่อว่ามักงน้อยนะครับบริหาร9ก้า hmm. บริฐา 9, รสิบสิแปนี่ก็ยังเชื่อว่าไม่ชื่อว่ามงมากนะครับ mm hmm. แต่ถ้าจะสามารถเสริมมากคนนี้บริหารแปนะครับแต่สมัยนี้เยอะเป็นตัวโตน้อยแสงนะครับโดนรับดาวอินดี้ดาวบรหารสามท่านเลยเยอะ ใค้เจอเนี่ยของอาจารย์ท่านหนึ่งครับ อ, อตอนที่ท่านหมอหน้าผ้าแล้บไปดูที่ดุงจิตท่านน่ะบริขาส่วนตัวจริง น, นะที่ท่านมีนะ่ะก็เห็นแตบบ่เม่นกอดอันเดียวนะที่ท่านมีส่ตัวนะครับไอบริขารแปดท่านน่าจะมีอยู่นะแต่หมายถึงที่เกิดอันนั้นก็ไม่เกินนะครับที่เข้าไปดูที่กุงจิตนะอะไรนะอาจารย์ตัดแล้วก็ไม่เห็นบริขา 8, แปดเรายึงใช้ใช้ใชสุ่มการได้นะ มีตัดเล็บการไม่ได้ดีการตัดเล็บดีกว่านะครับเมื่ตัดเขาไม่ตัดเขาไม่มีตัดเล็บนะเขาก็มีของข้อมือกันขึ้นไดมีตัดเล็บมีเหมือนกันนะครับแต่บางทีมันมันแล้วแต่นะครับแต่ว่าอาจารย์ท่านนก็ทําได้จริงๆนะมีบริหาร้อยนะครับอย่างเช่อาจารย์โูไทยท้่มาเนี่ยเป็บริหาร้อยไม่ค่อยมีถ้าไม่สาะสมอะไรนะ ผมดูแล้วรู้สึกดีเลยเวลาไปไหนไม่เป็นภาระนะครับ <c oughs> มันไม่ต้องหวงัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องแบกอะไรเยอะๆมีบริการแค่นั้นแหละตัวเบาไปไหนเหมืนอนนกติดๆนะไปไหนก็สะดวกนะมันก็มันก็ถูกต้องหลัาทางทางที่นายเรื่องความขัดเกลาร์งทีบางนไม่ค่อยได้ฟังเรื่องพวกนี้นนี่นานๆถ้าแต่ละนี้นมาพูดให้ฟังทีอย่างเงี้ยนะะรคให้น้อยดีของมาแล้วมันมีสองตู้เลยอ่ะ แริบร <c oughs> well ิจาคไปเรื่อยๆเหลหนึ่งก่องสองตูเหลหนึ่งก่องเดี๋ยวส่วนที่แยอะคือหนังสือไงหนังสือเงี้ยเยอะเดี้ยวเดี๋ยวสอนจบก่อนแต่อันั้นนี่เป็นหนังสือธรรมะส่วน่จะหมวงธรรมะหรือสืออภิธรรมเพราะตกระดองไม่ใช่ม่ถึเป็นตู้อกต้กระดอมีแค่วินาทดอกสิบเพื่อนนะแล้วก็ปัฏฐาน อ่ะดีการหรือเอกสารบาลีหนังสือธรามะพวกพิธามพวกนี้นะแล้วก็ทรรมกขอร่ำ บ, บริจาคใช่ไหมตอนนั้นอาจารย์อาจารย์น้ำบุญท่านร่ำบริจาคทีหนึ่งแหล <S 2> <S 2> นะนะเห็นว่าเราเื่องเรื่องเอยากจะบริจาคก็มาง่งเนละ่านั้นข้าวกังกร่ำ บ, บริจาคเองครับนะแต่นี่มีนะไอ้ม้วนแทบธรรมเนี่ยตอนนี้จ่ายหมดแล้วนี่ย โมง่งต้องคาอะไรขนก็ได้เลยนะคือโม่เทพธรรมเนี่ยใหญ่กันรของการใช<ห>ใช่ใชทั้งตรงนี้ทั้งตรงรู้นนะคนไม่ให้หมดเลยก็ได้เลยเพราะว่าถ้าเรื่องเสพได้นะไม่ไม่ไมเอาเได้เรื่องอื่นนะ ครูแรกแกไม่เอาแค่ีครับแกไม่ค่อเน่าไหล่ะตีข้าไม่ก็สนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้ามันเหลือต้องพ้ายเนี่ยต้องเคลียร์ให้หมดกันคุณยายอัดลงแล้วนะ